ประจำที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ระหว่างที่กพเจ้าลาออกจกขอสมุดแล้วแต่ยังไม่ถึงวันกำหนดออกนั้นทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทราบข่าวจึงได้ส่งพระให้มาติดต่อที่หอสมุดคือพระมหาอภิชาญซึ่งปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาญปานเจริญคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง เลขานุการสานักงานอธิการวดีซึ่งในเวลานั้นเรียกสานักงานเลขาธิการให้ปฏิติต่อขอให้ไปอยู่เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยสมซึ่งเวลานั้นท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีประจวบ ก, กันตาจโรเป็นเลขาธิการอยู่ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ข้าพระเจ้าออกจากขอสมุทรแห่งชาติ ก็ไปเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงทันทีคิดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม2517การไปทำงานที่มหาวิทยาลัยสงนั้นเฉพาะตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นไม่มีงานอื่นนอกจากงานสอนสอนวิชาปรัชญาศาสน า, าตรรกศาสตร์พุทธจริยาศาสตร์เป็นต้น ช่วงเช้ามีเวลาว่างได้เขียนหนังสือและเขียนได้มากส่วนมากเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเช้าแล้วเตรียมตัวไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำอยู่อย่างนี้นานปีดูเหมือนปี2517นั่นเองทางโรงเรียนราชินีได้เชิญมาอีกได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินีเป็นบางวันเฉพาะช่วงเช้า สอนมส .4 มส .5 วิชาศิลธรรมมีชั่วโมงสำหรับครูด้วยมีครู1 0 1ถึงคนสมัครใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทางโรงเรียนได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยสอนด้วยจึงเป็นอันสอนทั้งครูและนักเรียนครูแยกต่างหากไม่รวมกับนักเรียนข้าพเจ้าขาดหายจากโรงเรียนราชินีที่ปากคลองตลาดไป เมื่อไปอยู่โรงเรียนพานิชการสีลมและโรงเรียนเตรียมทหารตลอดถึงช่วงที่ไปอยู่อินเดียเมื่อกลับมาแล้วทางโรงเรียนก็เชิญไปอีกดูเหมือนจะสอนติดต่อกันประมาณสิปีทั้งครูและนักเรียนที่ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่และผู้ชรากันไปหมดแล้วศาสตราจารย์ด็อรปรีดีเกษมทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากได้อ่านหนังสือบางเล่มของข้าพเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ชวนข้าพเจ้าให้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ประจําแต่ข้าพเจ้าขอไม่ไปเป็นอาจารย์ประจําเพราะไม่คิดจะรับราชการอีกที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2521 รองศาสตราจารย์สุวรรณเพชรนินได้ชวนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ดูเหมือนอาจารย์สุวรรณจะเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญาอยู่ในตอนนั้นได้นำหนังสือของข้าพเจ้าจำนวนหลายเล่มไปเสนอคณะบอดีเพื่อให้เห็นว่าควรจะรับข้าพเจ้าไปอยู่สอนวิชาศาสนาหรือปรัชญาพอข้าพเจ้ารู้ข้าก็รีบปฏิเสธ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สุวรรณขอโทษที่ได้ทําไปโดยพลาการแต่มหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ยังยินดีเชิญข้าพเจ้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพุทธปรัชญาทั้งเถรวาทและมหายานข้าพเจ้าเขียนตําราให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามเล่มคือพุทธปรัชญาเถรวาทสองเล่มคือเล่มที่เป็นหลัก กับเล่มที่เป็นหนังสืออ่านประกอบพุทธปรัชญามหายาณหนึ่งเล่มดูเหมือนยังใช้อยู่จนบัดนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าลาออกมาแล้วเป็นเวลานานปีเพราะข้าพเจ้ายังได้รับเงินค่าตาราอยู่สม่ําเสมอทุกปีมาที่ต้องเขียนพุทธปรัชญาเถราวาทเป็นสองเล่มนั้นที่แรกข้าพเจ้าใช้พุทธปรัชญาเถราวาทเล่มใหญ่ หนาถึง688หน้าขนาด16หน้ายกต่อมาทางภาควิชาปรัชญาเห็นว่าเล่มใหญ่เกินไปสนหรับนักศึกษาขอให้ข้าพเจ้าเขียนใหม่อีกกเล่มหนึ่งเพื่อเหมาะกับที่นักศึกษาจะเรียนในภาคเรียนข้าพเจ้าจึงเขียนใหม่ในปี2525 25, เป็นหนังสือ99หน้าขนาด8หน้ายกพิเศษ ซึ่งเป็นแบบของหนังสือตำราในมหาวิทยาลัยทั่วไปเข้าไปเจ้าเริ่มไปสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2521เข้าใจว่าสอนเฉพาะพุทธปรัชญาเทราวาสอย่างเดียวพอปี2525จึงได้สอนพุทธปรัชญามหายานเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ มีบริเวณกว้างขวางเป็นตลาดวิชาจริงๆนักศึกษาที่นั่นต้องรับผิดชอบตัวเองสูงเพราะไม่มีการบังคับเรียนใครมาก็ดีใครไม่มาก็ได้ลงทะเบียนแล้วไปสอบอย่างเดียวก็ได้นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่จะต้องทํามากไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ถึงกระนั้นในมหาวิทยาลัยก็ยังคลาคล่ําไปโดยนักศึกษาจํานวนมาก อยู่ที่นั่นสบายใจมีความเป็นกันเองสูงทั้งกับครูบาอาจารย์และกับนักศึกษาข้าพเจ้าเดินทางไปสอนโดยรถเมย์ประจําทางขึ้นรถจากบ้านที่นนทบุรีไปลงที่เทเวศแล้วขึ้นรถสาย90ไปลงที่หน้ามหาวิทยายลัยรามคําแหงขากลับมาจะขึ้นรถจากหน้ารามไปลงที่สนามหลวงแล้วขึ้นรถต้นทางสาย64กลับบ้าน บางวันออกจากมหาวิทยาลัยราม16นาฬิกา30นาทีกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณ20นาฬิา30นาที4ชั่วโมงพอดีก็เป็นช่วงเวลาที่การจราจรหนาแน่นวันไหนฝนตกเข้าด้วยก็จะใช้เวลามากกว่านี้ขาไปใช้เวลาน้อยหน่อยประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่หนาแน่น วันไหนข้าพเจ้ากลับผิดเวลามากแม่บ้านจะแต่งตัวรออยู่ที่บ้านเผื่อว่ามีปัญหาอะไรจะได้ออกไปได้ทันทีเวลานั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีใครใช้กันข้าพเจ้าลำบากในการเดินทางอย่างนี้อยู่หลายปีประมาณปี2526จึงได้ซื้อรถอส่วนตัวเป็นโตโยต้า DX มือสอง เขาใช้มาแล้วหนึ่งปีซื้อมาด้วยราคาหนึ่งแสนบาทเจ้าของรถเป็นเพื่อนของแม่บ้านจึงซื้อได้ในราคานี้ผ่อนส่งเขาสิบเดือนการเดินทางค่อยสะดวกสบายขึ้นปีต่อมาได้ซื้อรถอีกคันหนึ่งโตโยต้าเหมือนกันสาหรับแม่บ้านใช้รถเก่าเหมือนกันเก่ากว่าคันที่กบเจ้าช้เพราะไปไม่ไกลไปแค่วิทยาลัยครูสวนดุสิตและกลับบ้าน ระยะทางประมาณวันละ20ิกิโลเมตรจำได้ว่าในปีพุทธศักราช2524รข้าพเจ้าได้ซื้อที่ดินซึ่งปลูกบ้านอยู่แล้วในราคา2 7 0แ5 4ตารางวาและได้ขอกู้เพื่อนบ้านเข้าสองแสนจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับที่เขาได้รับจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์โดยที่เขาได้มาบอกให้เอง คือคุณนองนุษและคุณวราวุดิโชติกาเสถียรข้าพเจ้าขอบันทึกขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองนี้ข้าพเจ้าคงต้องกู้เงินธนาคารดอกเบี้ยแพงกว่านี้มากท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเงินกู้แพงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากคุณวราวด์และคุณนองนุษย์ทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งบ้านเรือนอยู่ในซอยเดียวกัน คือซอยเขมานันถนนพิบูลสงครามซอยสิบสองข้าพเจ้าและพันญาได้เงินมาเท่าใดเหลือจากค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนแล้วก็ระดมใช้หนี้ใช้หนี้หมดภายในสิบเดือนจะว่าเป็นชะตาของข้าพเจ้าก็ได้คราวใดจำเป็นต้องใช้เงินเงินก็จะหลั่งไหลามาเมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็จะหยุดถ้าจะหลามาบ้างก็ออเอื้อยเรื่อย เหมือนตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นคนไม่กระตือรือร้อนในเรื่องการหาเงินเพราะเหตุที่ใช้หนี้ได้อย่างรวดเร็วเจ้าของเงินอดใจไม่ได้จึงถามด้วยความเกรงใจว่าไปกู้ที่อื่นมาหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจใช้หมดเมื่อไรก็ได้เพราะตกลงกันไว้ว่าจะใช้เดือนละห้าพันเป็นเวลานา น, านถึงสามปีกับสี่เดือนเมื่อใช้หนี้หมดแล้ว ปีต่อมาคือปี 2,525 25, ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งตัวบ้านและรัว้วทั้งพื้นบริเวณบ้านด้วยรั้วนั้นได้รื้อระแนงออกทั้งหมดทําเป็นกาแพงก่ออิดถือปูนโดยรอบปรับปรุงครัวใหม่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เฉพาะห้องน้ําและห้องครัวห้องครัวนั้นลมโกรกแทบทั้งวันเป็นที่ที่ข้าพเจ้าชอบนําเตียงผ้าใบไ ป, ไปนอนเล่น เหมือนเตียงที่เขานอนเล่นชายทะเลตอนปี 2,518 ข้าพเจ้าได้ขยายห้องไปหนึ่งห้องเพราะมีลูกชายคนที่สองคือวโรธหรือโจ้ทำให้มีเนื้อที่ในตัวบ้านกว้างออกไปสะดวกสบายขึ้นทำเท่าที่จำเป็นและเท่าที่เงินมีแต่มาปรับปรุงบ้านเมื่อปี 2,525 25นี้ต้องจ่ายเงินไปถึงสองแสน โชคดีที่ไม่ต้องเป็นหนี้เมื่อตอนซื้อที่นั้นเป็นหนี้ด้วยความจำเป็นจริงๆเขาพระเจ้าไม่ชอบเป็นหนี้และแม่บ้านก็นุโลมตามไม่เคยขัดใจการเขียนหนังสือก็ยังคงดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอมีรายได้พอสมควรมีเงินเดือนประจำและรายได้จากการสอนพิเศษแม่บ้านก็มีรายได้จากการไปเป็นอาจารย์ เป็นข้าราชการประจำที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตลูกกำลังเรียนหนังสือทั้งสองคนแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายฐานะความเป็นอยู่ค่อยๆมั่นคงขึ้น